ท่านฟังคะทุกวันพิหัสและวันศุกร์ท่านจะได้พบกับพระมาร์ชาคาวโรนะคะที่จะมาขยายความถึงธรรมะจากพุทธโอษให้กับพวกเราได้ฟังกันอิ่มใจจุใจสําหรับคนที่อยากฟังธรรมะจากพุทธโอดแบบเนื้อเนื้อและขณะ น, นี้ท่านก็พร้อมอยู่นะที่นี้แล้วนะคะนมรสการค่ะท่านคะจะเรียกพอค่ ะ, ะวันนี้เนี่ยจะเอาธรรมะจากหนังสือเรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษมาค่ะ ซึในคูมซั์จากพระโอษเนี่ยอาจจะเป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตัดสอนภพพิสุทธิทั้งหลายทั้งในเป็นแง่ของการคํำขนามคําดูและก็คําชีชวนบิงวรค่ทะทีนี้เนี่ยในในในคูมซับเนี่ยมันมีแง่มุมต่างๆที่อาตมาเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะภิสุทธเท่านั้นที่จะนําไปใช้ได้แต่ว่าคารวะญาติโยม เ, เนี่ยก็สามารถรับรู้แล้วก็เป็นเด็นเล็นเนเนเกน้อยในการที่จะได้รับรู้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้สอนให้พระประพฤติปฏิบัติอย่างไรและบางทีก็สอนญาติคารวะญาติโยมด้วยว่าควรจะพิปฏิบัติอย่างไรในทางวิเนียร์ของพระองค์ค่ะก็เท่ากับ ว, ว่าวันนี้หรือว่าวันเพื่อหัสวัดีต่อไปนะคะท่านจะหยิบยกเอามาจากขุมทัพย์จากพระโอษฐ์ใช่ไหมคะทีั้งคารวะได้ได้ไ ด, ได้ได้ประโยชน์ด้วยคือเหมือนกับว่าฟังดูอาจจะเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยตรัสกับพระภิกษุก็จริง แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนใช่ถูกต้องค่ะเรื่องที่ท่านเลือกมาในคราวนี้ค่ะท่านค่ะวันนี้เรื่องที่เลือกมาวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นแงม่มุมเศษเล็กๆน้อยๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย อ, อบอกผู้ที่อยู่ในทามบันัยของพระองค์เนี่ยให้เรียกตัวเองว่ายอย่างไรเดี๋ยวจะลองอ่านให้ฟังนะนะท่านตรัสกับวาเสษฐาทั้งหลายพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าพวกเธอแล มีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตรต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้พวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะปุตตะดังนี้นั่นคือว่าผู้ที่ออกจากเรือนมาบวชเป็นพระในธรรมะ ทำวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ให้เรียกตัวเองว่าสรรมณศักยะปุทธิย ะ, ะบุตรของสรรมณะในศากยะตะกูล อ, อ, อคือเท่ากับว่าถ้าสมมติเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ออพระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาภายใต้พระองค์เนี่ยออก็คือเรียกตัวเองได้ว่าสรรมณะสากยะปุทติยะเช่นเดียวกันเลยเหรอคะฟังไพเราะมากนะคะ สมณะก็สอดเสือมอม้านอนเณรสั ก, กยะก็สอดเสือสลากรไก่ยอยักษ์ปุตติยะก็ปออุตอตเต่าสองตัวสัตอีอยอยักษ์สละโอ้ยยังเข้าใจว่าถ้าศั ก, กยะนี่จะเป็นสอดาลาสะตว์อีกแต่อันนี้ด้วยด้วยความที่ยังยังไม่แน่ใจนะแต่แต่ในหนังสือนี่เขียนว่าสอดเสือแต่ก็เห็นหลายที่เหมือนกันที่เป็นสอดาลาเหมือนกัน ค่ะอันนี้ในหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่คณะของท่านผู้ทา้าดรกลรวมไว้ใช่ไหมคะค่ะสมณะสากยะปุตติย ะ, ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะท่านคะท่านได้ตรัส่อว่าอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพรามเทวดามารพรหมหรือใครๆ ใ, ในโลกก็ตามไม่ชักนาไปทางอื่นได้ ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมในรนิมิตโดยธรรมเป็นทายาตโดยธรรมแบบนี mm ้ hmm. นั่นก็คือว่าเ อ, อผู้ที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสามณะสัจญาบุตติยะเนี่ยจะต้องมีศรัทธาที่อย่างมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะเป็นสามเณรใน <c oughs> อ, อใน ทางวิเนอร์อื่นหรือว่าเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่ชักนําไปนทางอื่นได้มั่นคงในพระผู้มีพระภาคเจ้ามั่นคงในสถาคตเนี่ยถึงจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นบุตรเป็นโอรสที่เกิดจากพระโอษของพระองค์ก็คือจากปากของพระองค์นั่นคือเกิดจากการที่ได้ยินในฝั่งธรรมะของพระองค์แล้วก็มีศรัทธาเข้ามาบวชค่้าส่ทความบลุดพ้นต้องมีคุณสมบัติว่าอย่างนั้นเถอะคือต้องศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุธทธองค์ อย่างรากลึกมั่นคง ใ, ในคำสอนของพระพุทธองค์จึงจะได้ชื่อว่าแหมมันน่าภูมิใจนะคะว่าจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุตรเป็นโอรสเป็นทายาทโดยธรรมใช่หมก็ว่าเรามีอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะมีว่าอาชีพนี้ อ, อนิยามของอาชีพนี้เป็นอย่างไรแล้วก็คุณสมบัติที่จะทาอาชีพนี้เนี่ย เ, เป็นอย่างไรบ้างก็เช่นเียวกับการที่จะเป็น สมณะในในธรรมวินัยของพระผู้ยพระภาคย่าจะต้องมีศรัทธามีความมั่นคงในพระองค์ถึงจะเรียกว่าเป็นเกิดจากธรรมะของพระองค์ค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เปรียบอุปมาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายะมุนาอาจิรวดีสรพูมหีก็ตามกระไไปถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมทิ้งชื่อเดิมของตนย่อมถึงการเรียกชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรเหมือนกันทั้งหมดมข้อนี้สันใดภิกษุทั้งหลายวันนะทั้งสีน่นี้ก็อย่างเดียวกันชันนั้นจะเป็นกษัตริย์หรือพร์เวทหรือศูตก็ตามเมื่อคนเหล่านั้นออกบวชในทางวินัยที่จะถาค้ประกาศแล้วย่อมละจิยชื่อและชื่อสกุลเดิมของตนเสีย ย่อมถึงการเรียกชื่อใหม่ว่าพวกสมณะสกยะปุตยะดังนี้เหมือนกันทั้งหมดโดยแท้อ hmm. เปรียบเหมือนมหาสมุทรเอ่อเปรียบเหมือนแม่น้ําที่ไหลลงไปรวมกับมหาสมุทร <c oughs> ก็แม่น้ำต่างๆเนี่มีชื่อต่างกันคงคาบ้างยมูนาบ้างสารคูบ้างพอไหลลมไปลงในมหาสมุแล้วก็ถูกเรียกใหม่ว่าเป็นมหาสมุทรท่านก็เลยเปลียบเปรียบได้ว่า ในวั น, นะต่างๆจะเป็นกษัตริย์พาแพทยูรเนี่ยถ้าออกมาบวชแล้วก็ให้ลืมชื่อเดิมของตนเสียให้มาเรียกชื่อมาว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะค่ะท่านผู้ฟังคะพูดถึงอุปมาของพระพุทธองค์นี้ก็ต้องบอกว่าชัดเจนมากพอเราคิดตามเออใช่นะแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้าอะไรก็แล้วแต่พอไหลไปรวมกันกลายเป็นมหาสมุทร ความเป็นแม่น้ำมันหายไปเลยนะคะกลายเป็นว่ า, เ, าเป็นมหาสมุทรเหมือนกันทีนี้เปรียบกับถ้าในประเทศอินเดียแต่ละวันนะ้นี่สถานภาพทางสังคมมันแตกต่างกันมากนะคะถ้าอยู่วันนะต่ำาๆเป็นสูดอย่างเงี้ยก็ได้รับความเท่าเทียมกันกับวันนะกศัตร์วันนะพรามวันนัะแพทย์เห็นไหมคะ ถ้ามาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าซึ่องอาตมามองว่าอุอปมานี้ก็ยังใช้ไม่ได้ถึงในปัจจุบันเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยอฐานะทางสังคมต่างกันหรือว่ามี ช, ชั้นต่างกันแต่ว่าเมื่อมา อ, อถือตัวเองว่าเป็นผู้ที่เคารพในธรรมในของพระพุทธพระเจ้าเนี่ย ก, ก็เรียกเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันนี่เป็นพุทธ ว่าสมณะสังฆายุทธเนี่ยเฉพาะแค่พระเท่านั้นแต่เรามองว่าถ้าเป็นทั้ง อ, อ, อุบาสกอุบาสิกาเก็สามารถเรียกตัวอว่าเป็นพุทธศาสนิกชนได้ถ้าเราเมีอาจารย์เดียวกันก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมาคะทีนี้ถ้าอย่างกับเราเนี่ยไม่ได้บวชไม่ได้เป็นสมณะ แต่ว่าปฏิบัติศรัท ธ, ธามั่นในพระพุทธองค์อย่างรากลึกในธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะเราสรุปตัวเราเองเลยได้ไหมคะไม่ต้องเป็นถึงสมณะสักยะปุทธิยะเราขอเป็นลูก พ, พุทธเจ้าเป็นบุตรเป็นทายาทโดยธรรมออได้แน่นอนก็เรามีมีที่พึ่งที่แท้จริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นที่พึ่งกันเกษร์ค่ะเราก็ตอบตัวเองได้เลยว่าเราเป็นลูกของพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะ เพราะเราได้สดับฟังธรรมะของพระองค์แล้วก็มีความเนื่อสายสัมผัสค่ะนี่ท่านยังเกิดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณพวกใดก็ตามย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งรสอร่อยของโลกโดยความเป็นรสอร่อยของโลกรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งโทษของโลกโดยความเป็นโทษของโลกรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นจากโลกโดยความเป็นอุบายเครื่องออกจากพ้นเครื่องออกไปพ้นจากโลกที่สูงทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกนั้นย่อมถูกสมมติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามถูกสมมติว่าเป็นพราหม์ในบรรดาพราหม์ทั้งหลายก็ตามก็เป็นสมณะหรือเป็นพราหมณ์โดยแท้และได้ทําให้แจ้ง ซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วอะไอยู่ดังนี้นั่นคือพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าจะเป็นสมณะที่แท้เนี่ยเข้าถึงความเป็นสมณะที่แท้เนี่ยจะต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรสอร่อยซึ่งความเป็นโทษและซึ่งอุบายเครื่องพนไปนจาก รสอร่อยของโลกนั่นคืออาสาณฑะของโลกว่าสิ่งต่างๆอะไรเนี่ยมีมีรสอร่อยอย่างไรโทษของของโลกโดยความเป็นโทษของโลกนั่นคือเห็นว่าโทษของสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมันคืออะไรนันคือความที่มันแปรปรวนแตกสลายแล้วก็เคลื่นตันอยู่ดังไปอุบายเครื่องออกไปพ้นจากโลกนั่นคือนิสสารณะหรือว่าเราจะเอา่าระความเพลินในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างคือสามอย่างนี้เนี่ยถ้า สำนัรรหรือพราหมณ์ผู้ใดมารู้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นสำนะหรือพราหมณ์โดยแท้สามารถทําประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือพราหมณ์ได้อย่างแท้จริงด้วยปัญญาทางนี้เองค่ะคือคุณสมบัติของสมณะหรือพราหมณ์โดยแท้เนี่ยก็ให้คําจํากัดความเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่รู้ความจริงของรสอร่อยของโลกว่าเป็นอย่างไรรสอร่อยของโลกนี่เป็นความเพลินทั้งหลายวะคะ คื อ, อรูปเสียงกินรถโพธะธรรมรง์ทั้งหลายเป็นซึ่งเป็นที่น่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดย้อมใจนั้นมีอยู่รูปเสีวยเสิ่งต่างๆที่ทําให้เราเพลินเพลินในกรรมานี้มันมีอยู่นี่คือรสอร่อยแล้วรถอร่อยนี่ภาษาธรรมเรียกว่าอัสาธาเลยค่ะใช่อัศธาส่วนถ้าโทษของโลกหรอคะท่านคะโทษนั่นคือว่าเสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันมีความแปรปรวนเ ป, นเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปเป็นปกติ ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอดเลยต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานั่คือเรียกว่าเป็นอาทินวะเป็นอาทินวะอย่าไปตั้งชื่อตัวเองว่าอาทินวะ<า>นะครับ <c oughs> ฟังแล้วมันดูแหมแล้วก็อุบายเครื่องออก<พ> อ, อันนี้น ค, นคือนิสสารณะนออิซอเสืีย ร, รอเรือนอนุสระนิสสารณะ และอุบายเครื่องออกนี่<ต>เป็น อ, อย่างาไรคะให้เราไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไปกับรูปเสียงกิน่นรสผลธรระธรรมนบทั้งหลายนี่จะทํำยังไงไม่ให้เพลิดเผลินก็คือเนี่ยละความเพลิน อ, อยู่กับลมหายใจแค่นี้คือการละความเพลินแล้วรู้ซึ่องอุบายเครื่องออกไปจากเอ่อความเป็นลดอะไรอของโลกแล้ว mm. อืม ก, การมาจเจริญมั่งมีองค์แปดสี่สมาธิปัญญาสมถะพัทธนาเ น, นี้คือว่าการที่เรารู้อุบายเครื่องออกไปจากโลกนี้ ออกไปผลจากโลกค่ะก็เท่ากับว่าเราจะเป็นถ้าเป็นพระก็เป็นพระแท้ถ้าเป็นพรามณ์นี่เปรียบได้กับเป็นพวกเราไหมคะซึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาและเป็นคนที่นับถือศาสนาใช่แง่มุมนี้ปุถุชนก็สามารถนําไปใช้ได้ว่าจะเป็นจะอยู่ในธรรมงใดของพระผู้มีพระเา้าในกิริรู้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าารสอร่อยเป็นอย่างไรของโลกเป็นอย่างไรโทษของโลกเป็นอย่างไรอุบายจะออกไปจากรสอร่อยเนี้เป็นอย่างไรค่ะ แล้วท่านจารก็ได้บอกนะคะว่าก็คืออยู่อกรลมหายใจนั่นเองก็จะทําให้ไม่ไปจมจอมกับโทษของโลกเหล่านั้นแล้วก็หาทางออกไม่เพลิดเพลินไปกับมันถ้าเราเ พ, เพลิดเพลินเราก็จะไปหมายมั่นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะในใคุมรัพย์นี้มีอีกพรอสูตรหนึ่งที่ที่เป็นชื่อที่ค่อนข้างไพเราะดีที่พระ ที่บอกว่าคืนวันที่มีแต่ความสวา่างค่ะพระผู้มีพระเจ้าได้บอกว่าเ อ, อเราเนี่ยควรจะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะทำให้มีแต่ความเจริญนี้พระองค์ได้ตรัสไหมว่าภิกษุทั้งหลายคืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหกอย่างแล้วย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ 6อย่างอะไรบ้างเล่าหกอย่างคือภิกษุในกรณีนี้ไม่มีความต้องการมากจึงไม่เป็นทุกข์เพราะรู้จักพอในเรื่องจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะและขี่ลานปัจจัยเพสัชบริการอันถัดมาคือเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีศีลเป็นคนปรารบความเพียน เป็นคนมีสติและเป็นคนมีปัญญาภิกษุทั้งหลายคืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหกอย่างนี้แล้วย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเสื่อมม่ได้เลยเพราะฉะ น, นั้นหกอย่างเหล่านี้ถ้าเรามาทำให้เป็นองค์ประกอบของชีวิตเนี่ยคืนวันก็จะมีแต่ความสวา่างก็คือ อันแรกคือไม่มีความต้องการมาก <Okay. S 1> ไม่ต้องการอย่างถ้าเป็นพระนี่คือไม่ไม่ต้องการในเรื่องของจีวรมินทบาร์นาสนะเ อ, อบาริขานื่นๆคือรู้จกักพอจะจะไม่เป็นทุกข์ <Okay. S 1> ไม่ต้องการมากนี่คารวะก็นําไปใช้ได้รู <Okay. S 1> ้จกักเ อ, อมีความต้องการแต่พอดีในใน ใ, ใ, ในเครื่องใช้ต่างๆ hmm. อันถัดมาคือเป็นคนมีศรัทธาคือศรัทธาใน พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาที่พระมีพระตถ า, าคตเกิดขึ้นแร่สุ่แจ้งได้โดยพระองค์เองศรัทธาในธรรมะของพระพุทธองค์ที่เราได้สัง颂สุตตางแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นได้จริงก็ศรัทธาในพระสงฆ์ว่าสงรงสมบุกที่ประพฤติปฏิบัติในทางวินัยและเดินไปสู่ความเป็นความหลุดพ้นเนี่ยก็ยังมีอยู่ค่ะ เ, เป็นคนมีศีลด้วยคือถ้า กับคารวาวานเนี่ยคือว่าเป็นสิทธห้าที่เป็นเบื้องต้นของการนําไปสู่ความเป็นอารียบของคลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นไม่พูดปลดแล้วก็ไม่ดื่มสารเสพ่ิดเมาค่ะอันถัดคือเป็นคนแปรรบความเพียรนี่ความเพียรก็เราก็อย่างที่รู้คือเพียรได้สองอย่างคารวาวานเนี่ยคือเพียรหาปัจจัยสีเพื่อดํำลงที่ไปการนี่คือเพียรเพียรเผากิเล เ อ, อที่ยนไปสู่การหลุนพ่ะคารวานี้ก็สามารถมาเจริญความเพียรพรอิเลายได้เหมือนกันคือมันทิ้งความคิดอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นใ น, ในใจิตใจที่เราบอกว่าให้ไทถอนบันเทาทำให้สิ้นอุไ ป, ไปเมื่อมีอกุณผลยึ่ตก n กันขึ้นมาก็คือกลับมารู้อยู่กับลมหายใจอีกนั่นเองข้อที่หาคือเป็นคนมีสติมีสติในการ ทำอะไรต่างๆในวอกแว็กจะคิดในอดีตคิดในอนาคตคิดปรุงแตง่งในคิดต้องเรียนมีวิทยาการทํางานในปัจจุบันใช่ <Okay. S 1> ที่เรียกว่ามีจิปฏิฐานการ ท, ทงานอันสุดท้ายคือคนเป็นคนมีปัญญาปัญญาในนี้ก็คือว่ามีปัญญาในการเห็นการเกิดดับของประสิทั้งหลายมองให้เห็นว่าธรามทั้งหลายมีการเกิดทําเป็นธรรมดาค่ะ <Okay. S 1> ถ้าเรามีองค์ประกรบ์5อย่างเหล่านี้ คืนวันก็จะมีแต่ความสว่างบางทีเรารู้สึกว่าในตอนกลางคืนนอนไม่หลับรู้สึกวันมืดมนอุทานกา <c oughs> มามาเจริญห้าะหอย่างเหล่านี้นี่ก็จะทำให้เราเต็มไปด้วยความเจริญไม่มีความสึมวันนี้ท่านเลยให้คุมทรัพย์สองขุมเลยใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> สองคุมใหญ่ๆต้นฝั่งคะและเนี่ยนะคะเป็นการถอดเอาพุทธวัจะนะธรรมวินัยจากพุทธโอด คุ้มซับจากพระโอษฐ์โดยพระมาชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบนะคะติดตามคุมซับกันได้อีกในวันพฤหั ส, สบดีส่วนวันพรุ่งนี้วันศุกร์ก็ยังเจอพระมาชาคาวโรอีกนะคะวันนี้ก็นมัสการขอบพระคุณท่านไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะนมัสการคะ่ะ